สิกขาบทวิพังสามร้อยาคำว่าก็เมื่อภิกษุมีเหตุผลจําเป็นต้องไปในกองทัพคือมีเหตุผลจําเป็นมีทุราจําเป็นคําว่าภิกษุนั้นพึงพักแรมอยู่ในกองทัพได้เพียง2อถึงสคืนคือภิกษุอยู่ได้2อถึงสคืนคําว่าถ้าพักแรมอยู่เกินกําหนดนั้นความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัดสดงในวันที่4ภิกษุยังพักแรมอยู่ในกองทัพ ต้องอบัดปิปาจิตตี